อิเมโคปนายจะมั่นโตโดยอนิยตตาธรรมมาอุดเดสังอากชันตตโยปนาพิขุมาตุกาเมนะสทถิเอโคเอกายระโหปติชันเนอาสเนอลังกมณานิเยนิสัจังกะเปยย แต่เมนังสติยะวจัตตาอุปาสิกาดิสวาตินังธรรมานังอญญญตเตรนาวเดยยะปาราจิเกนวาสังขาดิเซเซนวาปาจิตติเยนาวานิสัจังที่อุปัิจานะมาโนุตินังธรรมานังอัญญสเตรนาการเตตัโบปาราจิเกนาวสังขาดิเซเซนวาปาจิตติเยนาว่า เยนะวาซาสติยวะยัชฌาอุปาชิกาวะเดียเยนาโทผิขุกาเรตัมโบอะยังธรรมโออนิจโต ตันาเฮบาโคปะนาปันชันนางอาสนังโห้ตินาลังกรรมะนิยังอัลัญจโคห้ติมาตุกามังดุพุนลาหิวาจาหิโอภาติตุงโยปะนาพิกุตตะท่ารูเปอาสเนมาตุกาเมนะสถิงเอกโอเอกายระห้อนิสัจังกะเปียตเมนางสถิยาวะจะชาอุปาจิกาดิสวาดวินนางธรรมานังอนยตเตเรนวเดีย สังคาดิเซเสนาวาปาจิตเยนาวานิสจังภิกขุปตะจานมาโนดวินังธรรมานังอัญเยตระเณกาเรตํมโบสังคาดิเซเสนาวาปาจิตเยนาวาเยนวาซาสเถยวาจ่าซาอุปาสิกาวันเดยะเตนะโซภิกขุกาเรตํมโบอัยมปิธรรโมอนิยตโต อุดิตาโคอาจัสมันโตดเวอานิยะตาธรรมมาตัดท่าจัสมันเตปุชามิกจิธาปริสุทธาดุติยมปิปุชามิกจิธาปริสุทธาตตดที่ยมปิปุชามิกจิธาปริสุทธาปริสุทเิ์ท่าจัสมันโตตัดสมาตุนีเอวะเมตังธารยามิ